ยาโยนทั้งหลายวันนี้ก็เริ่มเป็นวันแรกของดึงกันยายน์สำหรับวันนี้ก็ขอแนะนําการเจริญพระกรรมฐานความจริงขอว่าตั้งแต่ตอนต้นๆไปเลยนะคนเก่าอย่ า, ารําคาญตอ น, ต, นต้นเลยนะขอโทษท่านนะเลื่อหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> คอความจริงการเจริญกรรมฐานไม่ว่าทำระยะไหนก็ต้องขึ้นตนเหมือนกัน แม้แต่พระอรหันต์เองเวลาท่านจะรมท่านก็นขึ้นต้นคําว่าต้นของการเจริญกรรมฐานก็คืออนาปานุสติแค่ ป, ปรากฏตามพระบาลีที่พระเจ้าทรงตรัสแก่พระสารีบุตรว่าสารีบุตะดูก่อนสารีบุตรเราเองก็เป็นผู้มากในอานาปานุสติเหมือนกันคือคําว่าอานาปานุสติคือลมหายใจเข้าออก การรู้เราไมใ่ใจเข้ารู้เราไมใ่ใจออกถ้าจะเป็นฐานนะครับนิวรก็ถือว่าเป็นการกําจัดนิวรณ์ได้อย่างดีเพราะเท่ากันทัง้งร่างกายเพื่อเป็นกรรมฐานรับรับกายสังขารคือระรับทุกขเวทนาฉะนั้นการเรียนกรรมฐานทั้งหมดการกรรมฐานทั้งหมดกองใหญ่จริงๆมี40กองอีก3ามกองก็ต้องขึ้นกับอานาปานุสติ ให้เไม่ใจเข้าออกกระรงความว่าการขึ้นต้นของการเจริญกรรมฐานต้องทําเหมือนกันหมดตั้งแต่ท่านปุถุชนเริบแรกตั้งแต่การเจริญกรรมฐานเรื่องฝึกเจนกทั่งถึงพระราหันใช้เหมือนกันคืออนาปานุสติและพระพุทธเจ้าเองก็บอกว่าทรงใช่มากเหมือนกันพระระหับทุกขเวทนานการเจริญกรรมฐานขั้นแรกของมรนดาญาโยพุทธบายษัต ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็นรู้อยู่ถ้าขณะใดที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายรู้ลมเข้ารู้ลมออกอย่างนี้ชื่อว่าท่านมีสมาธิในอนาปานุสติ แล้วก็ถ้าใช้คำภาวนาด้วยสาหรับคำภาวนานี้สุขัสสโกระยะแรกพรไม่จำกัดคำภาวนาจะภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ตามใจชอบถือว่าอย่างไหนคล่องสบายใจก็ภาวนาอย่างนั้นแต่ส่วนมากพระโบราณอาจารย์คณาจารย์ที่ท่าสอนกันมาในตอนต้นๆท่านให้ภาวนาว่าพุทโธเพราะว่าง่าย สั้นและปก็สะดวกมีอนุภาพมากเพราะเป็นพุทธานพฏิกรรมฐานการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานใหญ่เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทถ้ามันดาท่านพุทธริษัทฝึกใหม่ๆ ห, หรือฝึกเก่าเก่าเริ่มใหม่ไม่มีความสำคัญความสำคัญก็มีว่าการทรงสมาธิได้นานหรือไม่นานสมาธิแบ่งเป็นขั้นคือขั้นแรก สมาธิเล็กน้อยที่เรียกว่าคณิกาสมาธิคําว่าคณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยก็หมายความว่าในระยะตน้ตนๆเราเริ่มจะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็เริ่มภาวนาร่วมตั้งใจว่าจะทรงจิตเป็นสมาธิในด้านลมหายใจเข้าออกด้วภาวนาให้นานสักสินาทีบ้าง20นาทีบ้าง30สนาทีบ้าง แต่เอาเข้าจริงๆไม่ถึงสองนาทีมันหายไปแล้วจิตใจก็ไป น, นึกถึงเรื่องอื่นแทนถ้าเป็นอย่างนี้ในเมื่อเ ร, รู้สึกตัวขึ้นมาว่าเผลอไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ใจเข้ามารู้ลมหายใจเข้าใจออกแล้วก็ภาวนาร่วมทำสลับกันแบบนี้ทีาเรียกว่าขานิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อย แต่ถ้าจะพูดนงว่าถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะได้สมาธิแค่สมาธิเล็กน้อยคือขณิกสมาธิยังไม่มีสามารถมีการทรงตัวได้ดีไม่ได้นานอย่างนี้บางท่านก็คิดว่าเราเจะเริญสมาธิไม่มีผลแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นการเริญสมาธิถึงแม้ว่าจะทรงสมาธิเล็กน้อยแต่จิตมีอารมณ์ชิน ถ้าขณะใดคติสัมปชัญญะดีมีอารมณว่างเราก็นึกรู้ลมหายใจเข้าออกภาวนาตามถ้ามันเผลอก็เผลอไปเป็นของธรรมดาท่านาานี้เข้ามาได้ก็เริ่มต้นกันใหม่ทําแบบนี้ทำํำเรื่อยไม่ชาจิตก็จะชินเมื่อจิตชินแล้วถึงเวลามันก็ทํางานเองแต่ทําได้ไม่นานมันก็หายไปจึงเอ็นเข้ามาแทรกแทนอย่างนี้ได้ประสบได้แค่ขณิกาสมาธิ ตอนนี้ว่ากันถึงผลผลสมาธิเดี๋ยวเดียวแต่บังเอิญบวกกับปรรัญญาคำว่าสมาธินี่ต้องถือว่าเป็นการฝึกสัญญาให้มีการทรงตัวสัญญาคือความจำแต่ถ้าปัญญาคืออารมณ์คิดคิดหาความเป็นจริง่างนี่เคยพูดมาแล้วจากเที่ยวก่อนว่าพระติสะต่อมาร่างกายท่านเปื่อยเน่า ท่านเน่าทั้งร่างกายแล้กระโดกก็แตกจึงมีถ้อยคํานําหน้าวปูติคัสติสสะปุติคัสตป็นได้วันเนา่านั่นแปลว่าพระติสสะมีร่างกายเนา่าความจริงเมื่อท่านบวชในพุทธศาสนาแค่ฟังเทศจเาจากพระเจ้าจบเดียวก็มีความเลื่อมใสเมื่อมีความเลื่อมใสก็ตั้งใจว่าจะบวชอุทิศตนเพื่อพระศาสนาโดเยเฉพาะตามภาษาบาลีอุรังัตวา แปลว่าถวายอกกับไปศาสดาแต่มาบวชจริงๆท่านก็ไม่ได้คิดสึกบวชไม่นานนะักต่อมาร่างกายพอจากผลของกรรมเก่าที่ฆ่านกหกักจะหักกระดูกนกหกักแข้งหักขาหักกระดูกปีกฆ่านกขายก็ไปเหตุท่านเกิดตุ่มเต็มตัวต่อมาตุ่มจากเล็กก็เป็นตุ่มใหญ่ ตุ่ใหญ่จากเท่าเทียนแรกก็เท่าเาม็ดถั่เขียวต่อมาก็ตุ่มโตเท่าเม็ดถั่เหลืองบ้างต่อมาเท่าผลสม้มต่อมาเท่าผลผลมะตูมในตุ่มต่างๆมันก็แตกเป็นนําเหลืองไหลเต็มตัวไปหมดส่วนใดของห่างกายที่ไม่มีตุ่มประเภทนี้ไม่มีร่างกายเพลิดเพลินําเหลืองต่อมาก็กระดูกแตกพระปฏิบัติไม่ไหวพระก็ทิ้งในเมื่อพระพุทธเจ้าตรวจปฏิสัยของสัตว์ พระติดสะตกไม่ขายพย า, ยานก็ทราบว่าวันลุ่งขึ้นติดสะจะเป็นพระอรหันต์พร้อมกับจะเป็นอรหันต์ไม่สมมิธายานพร้อมกับนิพพานเจนั้นตอนเช้าพระเจ้าฉันข้าวเสร็จจะมาที่วิหารที่กุติของพระติดสะทําการรักษาพยาบาลเองต่อมาท่านยาวผ้าที่เพื่อนเพื่อนนําเหลืองไปไปซักพระเองเข้าก็บอกว่าผมทําเอง พระพุทธเจ้าถึงสั่งให้ต้มน้ำร้อนต้มผ้าที่ชุ่มไปด้วยน้ำเหลืองแล้วท่านก็เอาผ้าทุบน้ำร้อนมาเช็ดตัวพระติสระจนกทั่งน้ำเหลืองที่กลางตัวตั้งแต่ทิศาออมาถึงเท้าแห้งหายไปด้านด้านกายก็เบาขณะนั้นอย่าลืมว่าพระติสระยังไม่ใช่พระอริยเจ้าแล้วก็ยังไม่ใช่ผู้ทรงฌานเจนึกว่าคนเกิดทันภาษามระพุทธเจ้าจะพู้ทรงฌานทุกอง์ไม่ใช่นะ พระพุทธเจ้าไปเห็นว่าร่างกายเธอเบามีความโปรง่งในเมื่อพระพุทธเจ้าพยาบาลเองก็มีความสบายใจความปลื้มใจเกิดขึ้นร่างกายเบาจะนําเหลืองก็สบายใจพระพุทธเจ้าจะบอกว่าติดสัอาจารังวัตยังกายโยอาจารยงวัตยังกายโยเขาบอกการ่างกายไม่ยืนกระใจแข็งก า, ก, าก็ไม่ยืนนั่งอยู <c> ่ก <oughs> ็เป็นน้นว่าอีกไม่นานแล้วหนอร่างกายนี้ จะต้องนอนทับถมพื้นเป็นดินซึ่งมีวิญญาณไปปราศแล้วและเป็นวัตถุที่คนจะทิ้งเช่นเดียวกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์สมายความวูาวาติสะเธอจึงจะหวังร่างกายนี้เลยร่างกายนีไม่ช้าก็จะมีจิตใจที่วิญญาณไปปราศคือออกจากไปร่างกายแล้วมันก็จะนอนทับพื้นเป็นดินเป็นวัตถุที่จะบ้านเขาทิ้งคือคนตายไม่มีใครเขาต้องการ มันเหมือนกับทอดไม้ที่ขนที่ไร้ประโยชน์ปฏิสัทธฟังเทศเจ้าพระเจ้าเพียงเท่านี้เห็นตามด้วยวร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ในเมื่อมีแผลทั้งตัวกระโดดแตกแบบนี้ไม่ช้าก็ต้องตายจิตใจเวลาปฏิสัทเวลานั้นคือไม่คิดถึงร่างกายต่อไปไม่มีความหวังในร่างกายในเมื่อไม่ติดใจในร่างกายอารมณ์ก็เป็นพระหรหันต์พร้อมเป็นสมมิทา ย, ยาน แล้วก็ที่ผานในขณะนั้นอย่าเน้นเห็นว่าพระติสระมีอารมณ์ขั้นต้นแค่ขณิกาสมาธิาเห็นไแค่ขณิกาสมาธิเฉยๆสมาธิเล็กน้อยอย่าลืมว่าพระณิกามีทุกขเวทนามากใน ต, ตอนต้นไม่มีสมาธิครอบงําแน่สมาธิไม่มีอำนาจคลองใจเมตต์ลมใจเป็นทุกข์กายก็เน่าทั้งตัวจะพลิกไปไหนก็พลิกไปไหวทื่อื่นพลิกไปก็เจ็บ นอนขยับตัวไม่ไหวต่อมากระดูกแตกถ้าไม่ได้บอกว่ากระดูกแขนนี่กระดูกขาท่านบอกกระดูกร่างกายแตกก็แสดงว่ากระดูกร่างกายทั้งหมดี่มันแตกกระดูกแตกก็เจ็บหนักทุกเวทนาก็มากเวลานั้นยาวสมาธิที่ไหนมาก็มีแต่ทุกเวทนาอย่างเดียวเมื่อมีทุกเวทนาอย่างนั้นต่อมาเมื่อพระเจ้าทรงตัดตามนั้นสมาธิเริ่มเกิดสมาธิคือการตั้งใจ น้อมใจไปตามกระแสเสียงที่พระเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายนี้อีกไม่นานนักก็จะไม่ีวิญญาณไปปราดแล้วคำว่ามีวิญญาณไปปราดแลกหมายว่าจิตออกจากร่างคือตายมันก็จะทับพื้นแผ่นดินก็เป็นวัตถุที่จะบ้านเขาทิ้งไม่มีใครต้องการมันก็ท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์คิดเพียงเท่านี้ความเบรรันก็อยู่ตัวเดียวคือไม่เกาะร่างกาย ที่ตามสัญญาณธานิวสกายติทิถ้าบุคคลคนใดตัดสกายติทิได้เด็ขาดคือมีความรู้สึกตามนี้นะสกายติทิฏมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราคือเกาะร่างกายแล้วก็มีไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายมันจะตายหินชาวบ้านเขาตายแล้ว่าทราบว่าเขาตายแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตาย ยังงีเชื่อว่าจิต ม, มีมีส ก, กาแยท่ทิฐถสมบูรณ์แบบถ้าจิตประกอบไปด้วยปัญญาก็มีความรู้สึกว่าร่างกายที่จริงๆเราเอาศัยมันมันเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟประกอบกันเข้าเป็นร่างกายแล้วมีอากาศประธาตาวิญญาณธาตุเข้าอาศัยร่างกายจะมีการเคลื่อนไหวได้มันเป็นมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิตโดยเฉพาะ จิตใจใส่ร่างกายที่ได้โชคคราวร่างกายมันมีการเสื่อมไปทุกวันตัิดจากความเป็นเด็กเล็กมันเคลื่อนมาถึงความเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่ก็เป็นคนหนุ่มคนสาวจากคนหนุ่มคนสาวก็เป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนก็เป็นแก่คนแก่จากคนแก่ก็เป็นผีตาย แต่ว่าก็หลายๆคนไม่ธัญแก่ก็ตายแต่คําว่าแก่นี่หมายความการเวลาล่วงไปวันหนึ่งทั้งถือว่าแก่ไปวันหนึ่งร่างกายเมื่อมีสภาพอย่างนี้ท่านที่มีปัญญาจริงๆก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าร่างกายเป็นเราจริงเป็นของเราจริงขึ้นเชื่อว่าความแก่เราไม่ต้องการ ในเมื่อ <Kinder> เราไม่ต้องการความแก่เมื่อร่างกายอยู่ในน่ายของเรามันต้องไม่แก่ความป่วยไข้มมนสบายเราไม่ต้องการถ้าร่างกายอยู่แต่ในทุกขงเราร่างกายก็ต้องไม่ป่วยในความตายเราไม่ต้องการถ้าไม่ต้องการที่ไม่ตายร่างกายก็ต้องไม่ตายท่านี้ถ้าถึงวาระร่างกายจะเป็นไปตามสภาพของมันเราห้ามไม่ได้ถึงเวลาที่มันจะแก่มันก็แก่ ถึงการที่มันจะป่วยมันก็ป่วยถึงการที่มันจะตายมันก็ตายเมื่อตายแล้วคําว่าเราคือจิตเทอทิตสมาใน ก, กายก็ล่องออกไปออกไปไหนถ้าจิตมีอารมณ์ดีก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นถ้าสุจิตก็อารมณ์ชั่วก็ไปสู่ทุกติมีนรกเป็นต้นอันนี้คิดตามนี่ญาติโยมเป็นตัวปัญญานีแต่ว่าถ้าจะใช้กําลังใจอย่างพระติสัก็น่กากจะยากแต่คิดไว้ทุกวันอันดีมาก กำลังใจที่พระเจ้าสอนปฏิสัมพันธ์วิวัฒนาการขั้นสูงสุดคือเป็นตัวทําลายอาวิชชาเราจะไปนิพพานกันได้จริงก็ต้องทําลายอาวิชชาเสียก่อนถ้าทําลายอาวิชชาไม่ได้จะทะเกง่งไงก็ตามไปนิพพานไม่ได้ยังติดอยู่ท่านอาวิชชาหมายความอาวิคำว่าอาวิชชาคือความโง่มันก็โง่ไม่มากโง่บางอย่าง ง็จะเพราะที่ว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่ถ้าเราตัดอารมณ์นี้จะได้มีความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายคือธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันรวมเข้ามาเป็นกายและเป็นที่อาศัยของจิตเราคือจิตโชคราวในเมื่อมันพังแล้วเราก็หาที่โยใม่ต่อไป ถ้ากำลังใจทรงตัวแบบนี้ก็ชื่อว่าไม่หลงในร่างกายแต่เนี่ตัวไม่หลงในร่างกายเนี่เป็นอารมณ์พิปัญญายันถ่าร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องป่วยร่างกายต้องตายอย่างนี้มันก็เป็นวิปัญนายานแต่มีความรู้สึกอย่างเดียวว่าร่างกายต้องตายอย่างนี้เป็นสมถะภาวนาคือเรียกงมโนราษฎรกรรมฐาน ประโความว่ากรรมฐ า, านเบื้องตนขามันได้ยอมพระบรมราชัตยใช้อารมณ์อนาปาโนสติให้หนักแต่ว่าจงอย่าบังคับร่างกายเกินไปอย่าบังคับใจเกินไปเวลาจเจริญกรรมฐ า, านจริงๆจะจงอย่าบังคับเวลาบางทีบังคับเวลาว่าตับตั้งแต่บัดนี้ไปตนไปใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเราจะบังคับใจให้ทรงตัว เวลาหนึ่งชั่วโมงคับใจส่วนตัวอย่างนี้จิตจะฟุ้งซ่านถ้าเกิดการบังคับขึ้นมาในจิตจะเริ่มฟุ้งซ่านจะคุมอารมณ์ไม่อยู่ให้ทําตามแบบสะพัดบายทั้งกรรมฐานสมาธิและพิปัสนายาณก็ตามเราทําเพื่อจิตเป็นสุขให้ถามว่าจะใช้นั่งจะใช่นอนใช้ยืนใช้เดินก็ต้องตอบว่านั่งนอนยืนเดินใช้ได้ทั้งสี่อิยาบท ตัศยาบัติสบายแบบไหนถ้าเวลานั่งก็ใยืดเครกเกินไปนั่งเนี่ขยับตัวได้ถ้านั่งคาตาบาดไม่สบายนั่งสมาธิไม่สบายก็นั่งเก้าอี้ค่อยขาก็ได้ตามใจชอบถ้าอยนั่งเหยียดขาก็ได้ถ้านั่งหน้าพระพุทธรูปอยาเหยียดขาไปทางพระเหยียดขาไปทางอื่นยังนี้ก็ใช้ได้นอนก็ได้กลวงความว่างกายปฏิบัติจริงๆอยู่ที่การรักษากําลังใจ นี่กำลังใจก็ยังต้องทราบว่ากําลังใจทุกคนทุกคนมีสภาพเหมือนกันอยู่อย่างหนึง่งคือบางครั้งบกกาลังใจต้องการความสงัดอยู่เฉยๆคือต้องการทรงสมาธิต้องการภาวนาหรือพิจารณาก็ได้รูร้ลมหายใจก็ออ ก, กได้เฉยๆไม่อยากเคลื่อนไปไหนนี่อย่างหนึง่งมันต้องการสงัดถ้าอย่างนี้ถ้าบกคลที่ได้มโนยิทธิจะได้ปัญญา คิดว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวสวรรค์เราจะไปเที่ยวพรห ม, มโลกเราจะไปเที่ยวอาบายภูมิจะไปโลกไหนก็ตามตั้งใจไว้ก่อนว่าเดี๋ยวทำสมาธิแล้วเราจะไปแต่พอดีวันนั้นเป็นเวลาที่จิตต้องการหยุดต้องการส่งตัวเมื่อเริ่มทำสมาธิปับจิตมันจะทรงตัวเฉยๆไม่สามารถจะบังคับจิตให้ไปได้ถ้าคนที่ไม่รู้ความจริงว้วเกิดอาการกลุ่ม คิดว่าเวลานี้เราเสื่อมจากกิญญาแล้วหรือจะความจริงไม่ใช่เวลานั้นเป็นเวลาต้องการพักโคจรจิตแต่การพักโคจรจิตทรงอารมณ์อย่างเดียวนั้นบรรดาท่านผู้บริสัทธ์การเจริญสมาธิก็ดีวิปัสสนาอย่างก็ดีความมุ่งหมายของเราก็อยู่ที่ให้จิตห่างจากกิเลสดังนี้ถ้าจิตทรงสมาธิรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้คําบวนาถ้าเป็นอย่างนี้จิตจะห่างจากนิวรณ์ซึ่งเป็นกิเลสหยาบ และจะหางจากกิเลส ข, ขนาดกลางขนาดละเอียดทั้งหมดจิตจะทรงตัวเป็นเอกาตารมขั้น่าเอกาตารมคืออารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งในที่นี้เรานนยอมเรียกว่าฌานอารมณ์มันจะทรงตัวก็มีหลายคนเคยมาถามว่าอารมณ์เป็นหนึ่งดิ่งอย่างนี้จะทำยังไงต่อไปก็ขอตอบว่าเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่ทำอย่างอื่น ถ้าจิตเป็นฌานมีลมทรงตัวเป็นเอกาตาลมะลมเป็นหนึ่งแบบนั้นต้องปล่อยไปตามนั้นเพราะอะไรจรึงปล่อยเพราะว่าเราต้องการให้ยิตบ้างจากกิเลสเวลานั้นที่จิตมีลมเป็นหนึ่งในลมให้ใจเข้าออกก็ดีในคำภาวนาก็ดีในนิมิตก็ตามถ้าจิตจับโดยเฉพาะอย่างนั้นกิเลสจะเข้ากวนใจไม่ได้มันจึงเป็นหนึ่งมันจึงมีลมดิง่งเราก็ควรจะพอใจ ว่าเวลานี้จิตเราว่างจากกิเลสเราต้องการจุดนี้ที น, นี้มาบางวันถ้าถ้าจิตต้องการว่างจากกิเลสมีรมณ์เป็นอย่งัถ้าเราต้องการเที่ยวมันก็ไปเที่ยวก็ยังอย่ากลุ้มปล่อยมันถือว่ามันอย่าไปหรือไม่ไปเปมนเรื่องของมันถ้ามันอยู่เฉยๆกิเลสไม่กวนเราก็ต้องการและบางครั้งเราต้องการจะทรงอารมณ์ทรงอารมณ์เฉยๆไม่ไปไหน ถ้าพอดีทำสมาธิจิตมีกำลังพอสมควรใ้จิตจะไปได้มันมันก็ไปตามชอบใจของมันแต่มันก็ไม่ไปแล้วเธอไปสวรรค์บ้านไปพรหมบ้างไปแดนเปรตบ้านสุรกายบ้างนนรกบ้างไปตามชอบของมันเราจะบังคับให้มันทรงตัวมันไม่ทรงตัวมันจะไปอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันไปถ้ามันไปนรกก็ดีไปแดนเปรตก็ดีแดนสุรกายก็ดีแดนสวรรค์นั้นพรหก็ตามนั่นผ่านก็ตาม เวลานั้นที่จิตออกจากร่างกายกิเลสไม่ได้ติดใจไปด้วยไม่ติดตามไปด้วยถ้ามีกิเลสตามไปมันจะไปไม่ได้เราก็ควรจะพอใจว่าเวลานี้จิตเราว่างจากกิเลสเพราะการทำเราต้องการอย่างเดียวคือจิตว่างจากกิเลสนี่บบการพูดกรพูดกันถึงอารมณ์ในญาติโยมพุทธบริษัทนะที่ในการปฏิบัติจริงๆจะยงจงยาบาังคับเวลาของจิตเวลาทํำยิงเอาแค่จิตเป็นสุข เมื่อขณะที่ทำกรรมฐานไปรู้ลมไม่ใจเขาออกไปรู้คำภาวนาไปจิตเริ่มเป็นสุขมันจะเป็นสุขขนาดไหนก็พอใจขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจิตเริ่มเป็นสุขยังนี้ไม่ใช่คณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิถ้าคณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยนี่จะไม่ถึงขั้นเป็นสุขแค่รู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมให้ใจออก แค่ภาวนาไปเดี๋ยวเดียวจิตก็เลื่อนหายไปจากอารมณ์ภาวนาไปคิดนอนคิดนี่ตามลมบางทีก็คิดอารมณ์ที่เราไม่เคยนึกไว้ก็ช่างมันพอรู้ตัวปั๊บว่ามันเลื่อนไหลไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่รู้ลมหายใจเขาออกใหม่ยานี้เป็นเพื่งคณิกะสมาธิตอนนี้พอภาวนาไปด้วยรู้ลมหายใจเขาออกไปด้วยจิตเริ่มเป็นสุขมีความอิ่มเอับมีคาความเบิกบานใจ มีความชุ่มชื่นเกิดขึ้นรู้สึกไม่อยากเลิกจิตสมาธิจิตใจสบายมากอย่างนี้เริ่มเข้าถึงปีติเป็นขั้นอุปจาระสมาธิเบื้องต้ น, ตนหลังจากนั้นต่อไปอารมณ์จะเป็นสุขสุขยอดเยี่ยมที่ไม่เคยปรากฏความสุขที่เคยมีมา ก, ก่อนอย่างนั้นเชี่ยวเป็นองค์ดิสีเป็นสุขในสมาธิเป็นอาการเต็มห อ, อุบจารสมาธ เมื่อหลังจากสุขและเวลานั้นจิตยังมีอาการทรงตัวไม่สนใจอารมณ์ใดทั้งหมดมีการทรงตัวเฉยๆล้วภาวนาอยู่จิตไม่รุมพโพรงไม่ใช่หลับไม่ใช่มึดจิตมีความสว่างจิตทรงตัวเฉยๆอย่างนี้เป็นปฐมฌานแต่ให้สักเกตคำว่าปฐมฌานก็มีว่าถ้าหากว่าเราจะเริญตอนไม่ดึกเกินไป ยังมีเสียงวิทยุยังมีเสียงโทรทัศน์ยังมีเสียงคุยกันอันนี้ดีเป็นที่สังเกตถ้าเกิดหนาที่ฟังในหูได้ยินเสียงชัดเจนทุกอย่างร้องเพลงก็รู้เรื่องคุยก็รู้เรื่องทำอะไรก็รู้หมดแต่ได้ว่าหูไม่ราคาญในเสียงสามารถส่งลงอนาปานุิติกลงไม่ใจเขาออกกับภาวนาได้แบบสบายสบาย เวลานั้นเบื่องซ่ากําลังใจของ ท, ท่านทรงอยู่ในทุกท่านประตม่ชานคืชานที่หนึ่งแต่เดียวว่าแขั้นต้นนะแค่ชานที่หนึ่งก็สูงแล้วก็อย่าลืมว่าว่าคืสมาธินี่มันมีรมไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับกำลังของรา่างกายทางทางทดีๆเขาปัญญาญาโยมบฏิษัติบริษัทใช้ปัญญาควบคู่กันไปสมาธิกับกปัญญาให้กันไหนกันปัญญามีว่า ถ้าขณะในจิตเริ่มเป็นสุขมีความสุขสบายต่อไปจิตจะถอยลงจิตจะเคลื่อนสมาธิเมอารมณ์ลดลงความสุขน้อยลงความสงบน้อยลงเราจะเริ่มขยับทำจิตให้เสมอเก่าทำไม่ได้อย่างนี้ก็จงอย่าฝืนเพราะจิตกําลังมันตกแค่นั้น่นเมื่อมีสภาพอย่างนั้นแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าแทนที่ตัวนี้คิดได้แล้ว ก็ใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาพิจารณาคือพิจารณาร่างกายเราเป็นสำคัญให้มีความรู้สึกเสียบเทียบว่าร่างกายของเรากับร่างกายเขาบุกคกลอื่นมีสภาพเหมือนกันเอาแบบง่ายๆแต่ว่าสูงสุดอย่างที่พระเจ้าสอนปฏิสัไมไไม่นานนักร่างกายของเรานี้ก็จะมีวิญญาณออกจากร่างไปแล้วคาว่าไปปลายคือออกจากร่างคือตาย เมื่อวิญญาณออกจากร่างมันก็ตายถ้าตายแล้วก็ต้องนอนทับผืนแผ่นดินก็นึกถึงศพใครคนใดคนหนึ่งที่เราเคยเห็นว่าเขาคนนั้นในสมัยก่อนก็มีชีวิตเช่นเดียวกับเราบางคนก็เคยคบหาสมาคุมกันพูดจาปรสาสัยกันแต่เวลานี้เขามีจิตออกจากร่างหรือวิญญาณออกจากร่างเขาร่างกายเป็นสภาพไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมด ขณะที่เขามีชีวิตอยู่คนนั้นก็บอกว่าเป็นลูกคนนี้นก็บอกว่าเป็นหลานคนนั้นก็เป็นพี่คนนี้ก็เป็นนอ้องคนนั้นก็เป็นเพื่อนทุกคนต่างมีความเพลิดเพลิน ส, สมาคมซึ่งกันและกั น, กนแต่ว่าพอจิตออกจากร่างหน่อยเดียวทุกคนไม่อยากรู้จักมองก็ไม่อยากจะมองจับก็ไม่อยากจะจับเพราะอะไรพระ่างกายไร้วิญญาณชีจิต ก็มีสภาพเลวกว่าท่อนไม้ที่เขาไม่ต้องการเพราะท่อนไม้ไม่เนา่าร่างกายเนา่าเป็นสภาวะที่ทุกคนไม่ต้องการในเมื่อร่างกายมีสภาพแบบนี้ร่างกายก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์สําหรับเรามันเกิดมาเบื้องต้นเต็มไปด้วยความทุกข์ชั้นใดกว่าจะตายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าชาติต่อไปถ้าเรามีร่างกายอย่างนี้แล้วก็เริ่มทุกข์อย่างนี้อีกแล้วเริ่มตายอย่างนี้อีก ก็ตัดสินใจขึ้นเชี้ว่าการทุกข์เพราะมีร่างกายให้มันมีชาตินี้ชาติเดียวชาติต่อไปเบื้องหน้าร่างกายอย่างนี้ต้องไม่มีกับเราถ้าเราไม่หวังร่างกายอย่างนี้ญาติโยมพุทธบริษัทนี่คืออารมณ์พระราหันอารมณ์ของบุคคลที่จะไปรหันนีคือไม่ต้องการร่างกายอีกท่านเองไม่มีอะไรมากให้ที่เราเองกันมาเรีนมากเกินไปเรียนมากนี่ยดีมีความรู้รอบแต่เวลาใช้มันใช้ไม่ถูก เห็นว่าการที่เบรรันเขาตัดสกายยะทิฏฐิตัวเดียวถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกวันคิดว่าร่างกายนี้อีกไม่นานนักมันก็จะตายร่างกายไม่มีประโยชน์ขึ้นเชื่อว่าร่างกายที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันเป็นเท่าท่าสีที่อาศัยชั่วคราวถ้าเราไม่ต้องการร่างกายที่มีทุกมีทุกมีโทษอย่างนี้อีกถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันจิตมันจะชิน คิดได้ว่าดนิดหน่อยสักสองสนาทีก็พอตึงเข้ามาก็คิดอย่างนี้ก่อนจะหลับนิดหน่อยก็คิดอย่างนี้ไม่ต้องมากแต่คิดไปถ้ามันจะเฟื่อก็เลิกซะตั้งใจไว้เฉยๆว่าร่างกายอย่างนี้มีชาติสุดท้ายชาตินี้ต่อไปไม่มีอีกต่อไปก็ยามรวบรวมความดีคือหนึ่งรู้จักการให้ทานทานให้ตามควรยิ่เกินฐานะ สร้ารู้จักการอาศาศสินสางรู้จักการพิจารณาร่างกายทั้งสามอย่างควบคู่กันไว้ไม่มากก็ น, น้อยต่อมาเมื่อเวลาใกล้จะตายจริงๆร่างกายจะเต็มไปทุกขเวทนาทุกคนมีสภาพเหมือนกันหมดไม่มีใครนอนหลับตายเสมองเงียบเงียบให้คนเขาหลับไม่ตื่นนะทุกขเวทนานั้นเขในมันทุกขเวนทวนามันหนักมันก็ตื่นแล้วพูดไม่ได้เวลานั้นจิตใจก็จะปรงจากกิเลส พรมันเต็มทุกเวรลานึกถึงความรักก็ไม่ไห ว, ไไ wich, น, วไไนึกถึงความรวยก็ไม่ไหวนึก้องความโกรธกไม่ไหวนึกถึงความหลงก็ไม่ไหวจะหลงร่างกายก็หลงไม่ได้อีกต่อมาก็เกิดมีลงคิดว่าร่างกายที่เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างนี้ที่เราเคยคิดอารมณ์มันชินเราไม่ดังการมันอีกเราขอเกิดจะตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอารมณ์นั้นเป็นมจริงจังถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเวลานั้นความเวลาจะมีกับท่าน ตายคราวนั้นก็พร้อมกับนิพพานเรื่องนี้มีมากนะมีตัวอย่างมากธรรมดาญาโ ย, ายามพุทธบริษัทหมดเวลาพอดีตอนนี้ไปเป็นธรรมดาญาโยมพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานบัรญมตาน